ขอกราบารวะพระรัตนตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออนุมรนการหลวงพ่อคำแรย์ผู้เป็นประธานกงครูบายจย์พระเทลานุเทละทุกๆท่านที่เคารพตลอดทั้งหลวงพี่ทลงพ่อทุกทท่านเจริญพร ญาติโยมอาบาจุบอวัติกาผู้ไฟในธรรมทั้งหลายนั่งตามสบายโห้หลวงพอ่อนี่ขอแก่แล้วนะปดกระเถียนมานานๆ โ, โ, โยมไม่ได้พูดหลายหลายปีแล้ว <laughs> ไม่รู้จะผิดหรือจะถูกก็อภัอยให้ด้วย มาล่างสาลพิษก็อยากได้ความเจริญทางร่างกายของเราให้มันอยู่ดีสบายใครก็อยากมาทุกคนนะพองพ่อก็อยากไปเมื่อกันแต่ว่ามันแก่แล้วครูบาอาจารย์ก็้ังยมห้ามตั้งแต่ไปอบเข้าลงอบก็ก็ยังเป็นลมไม่ต้องไปหรอกนงพ่อ ไม่ต้องอยู่เนี่ยแจกแล้วฟังนั้นก็เลยอุตส่าห์ไม่ไปก็อยากไปเหมือนกันแต่และกลัวมดทุกคนนะ่ความตายโยมถ้าขุทาความกลัวความตายแล้วก็เกิดมาในชีวิตนี้แล้วก็ต้องทำตัวให้ดีเพราะว่าเกิดมาในชาตินี้เราเกิดมาถ้าไม่มารู้จักสิ่งนี้มาจากลูก ชีวิตจิตใจของเราเองก็เกิดขึ้นมาทําลายตัวเองโดยไม่รู้จักเลยสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดเราหาจินอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละมาเรื่องชีวิตของเราเนี่แหละว่าโดยทางที่ชอบแต่มาพิจารณาตามพระธรรมวิ น, นัยมาแล้วคําตอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันผิดไปหมดเลยจนไม่สามารถจะตึกเป็นโยมไปอีก บอมาเป็นพานี่เขาดีทีแล้วถ้าคนไหนเกิดมานี่มาศึกษามันได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้มาทางพุทธศาสนาเนี่ยมาปฏิบัติถูกทางอย่างที่หลวงปู่ท่านพานเราทําอย่างเนี่ยจะเต็มอกเต็มใจที่สุดเลยเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดเราโกรธเราก็รู้จักเราดีใจเสียใจเราก็รู้จัก ทุกอย่างที่เรากืนมาเนี่ยเราเป็นผู้เป็นกับเขาไปทั้งหมดเลยหลงทิศหลงทางไม่รู้จักต้นปลายสายเอตที่จะไปไปรู้จักแต่วันเกิดวันตายไม่รู้ตายไม่รู้รจะเป็นไปอะไรบางทีก็บางคนก็ว่าเกิดมาเราตายไปไม่รู้จะไปที่ไหนบางคนว่าไม่ได้เกิด สรพัดตั้งแต่เขาเทียงเถียงกันไปไม่รู้จากต้นปลายสายเหตุที่เกิดมาพอเรามาเข้าใจเนี่ยเข้าใจเราโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลยเกิดมาแล้วก็มหาอยู่หาจินนี่ก็ไม่ใช่เป็นแต่เราเป็นมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเหมือนกันมีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียมีที่พึ่งที่อาศัยเหมือนกัน มันงันกรรมกับเราไม่ผิดแปกกันเลยมันผิดแปกกันแต่งว่าเขาทําดีเหมือนพวกเรานี่มาได้เราไมา่นึกว่าโชคดีที่ตุดจะเกิดมาเป็นมนุษย์เ้วก็เข้ามาอยู่ในพุทธตาตนะพุทธนาถอนเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้จักตั้งแต่ก่อนไม่รู้จักเลยตั้งแต่ไม่มาไปพืตนปฏิวัตินี่ทาบุญให้ทานก็ทามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา แต่ว่าไม่รู้จักว่าพุทธต า, ตาเนี่สอนสอนเรื่องอะไรและเราก็ไม่รู้จักอีกด้วยมืดบอดเป็นบนเลยพอมาเข้าใจแล้วโอ้เป็นสิ่งที่สําคัญของมนุษย์ที่จะเอาพวามนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นอีเป็นพรมได้เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยหน้าตาเป็นคนมันเป็นไปร้อยแปดดูแล้วแต่มันจะเป็นไปเราไม่มองเห็นเลยพอมามองเห็นแล้วโอ้น้อย อ, อกน้อยใจเกิดมาชาติเดียวเนี่ย นึกว่าบุญวาตนามากที่สุดเคยว่าไม่รู้ว่ามาด้วยเหตุใดก็ไม่ตั้งอกตน้งใจว่าจะมาบวชให้ไดหลายได้หลายมัาเรียกว่าจะตึกปีเดียวพอมาเข้าใจแล้วศึกมาได้เลยเพราะว่าหมู่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีตีหมู่กับหมู่ผีด้วยกันนะคัผีไม่ไม่มใีใครมาสร้างให้เราเราสร้างขึ้นมาเองอยู่กับชีวิตจิตใจ ครูบาอจารย์สอนให้เราว่าใจร้ล่เป็นผีใจดีเป็นพระแต่เราไม่รู้จักเรื่องว่าตัวเองใจดีแต่ความโกรธก็ยังไม่รู้จักจางเลยมีแต่ เ, เอาชนะคนเรียไปไม่ลดหย่อนผ่อนพันเนี่ยกันเพราะฉะนั้นพอเรามานี่ก็ดีมากที่สุดตั้งอกตั้งใจประพืชปฏิบัติ ให้ดีอย่าถือเอาตั้งอย่างเดียวจย่แต่กลัวจะตายถ้ากลัวจะตายแล้วก็ให้มาเถอะมามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยบุญทางเส้นนี่มันหมดไม่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยเรามาได้ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี้ยเรามีชีวิตจิตใจอยู่ถ้ามันไม่ดีถ้ามันยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็เราก็ยังมาเกิดดีเวียน่าวตายเกิดที่นี่แหละอยแต่บุญที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่หนี มันจะได้เนี้กยก็เลื่อนลอยหย่คอยเราอยู่นี้แหละคอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆไปจนไปถึงขั้นที่สุดชาติไหนจนจนกว่าเราจะไปถึงขีขดมันเพราะว่าหมดไม่เป็นที่เรามาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เราตั้งอกตั้งใจทำได้เท่าไรก็เอาอไม่ต้องไปไ ป, ปรารถนาไปวอนวอนในติ่งนั้นติ่งนี้มาช่วยให้เราทำเองดูเองเข้าใจเอง ใครไม่ทําไม่รู้ใครทำไม่รู้ยกมือเนี่ยยกเฉยเฉยเนี่ยก็เคยอยู่นั่นแหละกายของเรานี่ยคืเหมือนกันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ไม่เคยดูเลยรู้จักเจ็บเจ็บปวดไปตามยถากรรมของมันมันพาถุกกระตุกมันพาทุกข์กระุกทั้งกายทั้งใจไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบียรเป็นอยู่ตลอดชาติตลอดตดยจนถึ ง, ถงมันตายถ้าเราไม่มาศึกษา เราเรียนในชีวิตจริงใจของเราเนี่ยเป็นคนหลงอยู่อย่างั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นมานี่คือตั้งใจมาดูกายของเราเรามีกายกับใจทุกข์กับทุกข์กับกายนี่แหละกายก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งใจก็มันทุกข์ไปอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ด้วยกันเราต้องมาฝึกมาหัดให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกายเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ให้ใจมันรู้ไปด้วย ถ้ามันออกไปกเราก็เรียกมันเข้ามาการเรียกใจเข้ามาอยู่กับกายของเราเนี่คือมาอาศัยกายของเรากายเคลื่อนไหวใจคนรับรู้คนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นคนรู้ให้เราเข้าใจบอกอย่างนี้ก็เท่าเท่ากับบอกกันแหละคนไม่ตายเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไปมาได้รู้สึกเนื้อสึกตัว คนที่ตายไปแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้จะพิคิงดิงตัวกไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยให้เราดูว่าโอ้อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามเห็นแล้วก็ให้ทำสองอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันมันเคลื่อนไปเท่า น, นี้ก็ให้รู้จักเราเกิดมามันมาฟรีหมดได้เราเราเกิดมาเนี่ย จะกินก็ฟรีก็จะนั่งก็ฟีจะนอนก็ฟจะไปไหนมาไหนก็ฟรีหมดคือฟรีนี่คือเราไม่ได้เห็นกายกับใจไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยคือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้พอมันออกไปถ้ามันมาอยู่กับเราเนก็เป็นความมัเป็นความรู้สึกถ้ามันออกไปมันก็เป็นความคิดเมื่อก็ตัวเดียวกันนั้นมันออกไปมันเข้ามาอยู่เนี่ย พอเขาออกไปปับ๊บเราก็มาอาศัยกายเคลื่อนไหวพอยกมือขึ้นนี้มันก็รู้เลยรูปกลับมาถ้ามันยังติดอยู่ส ต, ติเรายังน้อยอยู่เราก็พยายามทำให้มากๆมันขี้เกียจเราขยันมันไม่ทำเราทำทำอยู่งั้นน่ะมันเป็นอะไรสุดแล้วแต่เราอย่าไปห้ามมันเรามาอาศัยกายอาศัยใจของเรามันเกิดทางกาย ด้วยประการใดก็ตามให้เรารู้จักแล้วก็เราจะเข้าไปเป็นแล้วก็ถ้าใจมันคิดออกไปข้างนอกแล้วก็มาอาศัยกายให้มากายเคลื่อนไหวให้ใจเข้ามาอยู่บ้านมันมันมาอยู่บ้านเป็นการร่างกายของเรานี่มันเป็นบ้านของเขาเป็นเรือนของเขาเป็นที่อาศัยของเขาตากคนอาศัยกันนั่นแหละมาอาศัยอยู่ที่กายเนี่ยรวมอยู่ที่กายหมด อาการทุกอย่างก็เกิดโยตีกายเจ็บปวดเหนื่อยล้าออทำอะไรมันหิวมันอะไรก็เป็นอยู่กับกายของเราเนี่ยออทางฝ่ายคิดก็มีตั้งแต่ใจมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชัว่วเรื่องอดีตอนาคตสารพัดั่ปมาคิดบกวนเวียนไหวอยู่ในภพในชาตินี่ก็ความคิดนั้นมันพาไปเราก็มาเห็นเราก็เป็นผู้เป็นมันเป็นคนหลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นให้เราพด้ยามมาเห็นรูปเห็นนามพวกท่านหลวงปู่ท่านสอนสอนเนี่ยตอนท่านจะไม่สอนที่อื่นหรอกสอนเรื่อเลี่ยงกายเรื่องใจของเรากายเคลื่อนไหวด้วยวิธีดใดหายใจรับรู้กายเคลื่อนไหวด้วยวิธีดใดก็หายใจรับรู้พอมันออกไปเราก็ดึงเข้ามาพอมันออกไปเราก็ดึงเข้ามาดึงวิธีดึงก็คือมายกมือเราเวลาเดินอยู่เราก็พอมันเหยียบพื้นตูกพื้นเดินเท้าตูกพื้นปั๊บรู้เลย รู้รู้รู้ไปมันก็เข้ามาหาเราทำอย่างนี้แหละในวันยังค่ำ อ, อะไรเกิดขึ้นมาโกาช่างไม่ต้องไปห้ามมันตั้งแต่ก่อนเราเคยมาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอะไรดีเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเกิดโออก็ไม่อยากให้มันหนีไปไหนแล้วให้มันอยู่กับตัวของเราเนี่ยแล้วก็เพ่งไปพึ่งไปไปเพ่ ง, ไ ป, ไ, ปพงไปจ้องมันก็เกิดมือน่นแท่งมือ่นขามือน่นหัว แน่นหน้าอกถ้าเราที่พัดเนึ่มันจะเกิดขึ้นไหมขึ้นมาแล้วแถวก็ปวดหัวปวดตีตะแล้วก็พยายามเข้ามาอยู่กับตัวรู้สึกถ้าเราอยากให้มันหนีไปก็ไปบังคับมันอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นไปใหญ่ไปแล้วก็ฟุ่งต่านลำคัญขี่เกียรที่ขันอยากหนีไม่อยากอยู่แล้วก็ค่อยๆพยายาม ดูมันดูมันก็หายไปถ้าเรายิ่งใจล่ ย, ยิ่งไม่อยากให้มันนะอยากให้มันหนีอยากอะไรให้มันหนีไปไกลนั่นแ่นนะยิ่งเป็นใหญ่ไปเลยหลงอารมณ์ตัวเองไปถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มาอาศัยกายไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาให้เราพิจารณามันอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามโอ้เห็นอย่างชัดชัด เข้าก็มันรูเข้ารูเข้าก็ทํามาเข้ามาเข้ามันก็อความไม่รู้ไม่ค่อยห่างออกห่างออกไปความรู้มันก็เป็นปึกเป็นแผน่นที่เราเดินไปก็รู้จักอยู่ตลอดเวลาพอมาคิดมามันเก็เห็นปับ๊บคิดมาก็เห็นปับ๊บเห็นไปเห็นมาเอาไปเอามามันก็ค่อย ดีเข้าดีเข้าก็จิตใจของเราก็เบาเบิกบานขยันรู้จักรูปลู่จักรน้ำรู้จักรูปทำนามทำรู้จักรูปลูกดำโรครู้จักรูปรู้จักนามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอคิดเมื่อใดเราก็รู้ได้คิดเมื่อใดเราก็รู้มันก็ค่อยๆรู้จักไปรู้จักไปเดียวก็รู้จักทุกขังอันนี้จังหน้าตารู้จักสมมุติรู้จัก ศาสนาลูกจากพระพุทธศาสนาค่อยๆไปเนี่ยเราโดยมากเราจะมาวกวนเวียนไหว้ใจเกิดอยู่ในนี่แหละอยู่ในโลกิยะของเราเนี่ยโลกธรรมแปดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปวงกวนเวียนไหว้ใจเกิดวิธีไหนคิดเรื่องนั่นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างทั้งอดีตบ้างทั้งอนุตอนาคตบ้างเราก็เป็นผู้เป็นกับมันมันดีใจมันเสียใจสุดได้แต่เขาจะพาไป เราไม่รู้จักเราก็เป็นผู้เป็นไปเขา เ, เขาอย่างนั้นพอเราปฏิบัติเข้ามามากๆเนี่ยอะไรก็เข้ามาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราทางประเทศบอดให้เราฟังแล้วก็ค่อยจำไว้จำไว้ก็ค่อยทำตามท่านไปมันก็ค่อยดีเข้าดีเข้าู้วยจากทางเข้าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้จักะระู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักดูจะน้อมมันไปเรื่อยๆไปมันเก้าไป เดินไปที่ไหนเราก็รู้จักจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็จะอยู่แต่ความรู้สึกเนี่ยทำอะไรก็รู้ทาอะไรก็รู้รู้แล้วก็มันจะค่อยเข้าใจไปเข้าใจอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันรู้จักปลดจักวางจักปล่อยไปจิตใจของเราก็สว่างสวายมันเป็นอะไรไปเราก็ให้เป็นผู้รู้เฉยๆไม่ได้เป็นผู้เป็นเนเรามาเนี่ยก็มาหาดูอาการที่มันเป็นมันเกิด ไม่เกิดดีเกิดชี่ว่มันก็เรื่องของเขาเราจะไปบังคับบรรชามก็ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาใจบอกให้มันดับมันก็ไม่ได้ใจเมื่ไม่เกิด ga, ก็ไปใบมบบังคับมันไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเราจะไปบอกให้มันหนีมันก็บอกไม่ได้รู้จ <ham> <my> <ieme> <my> ักปลดรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางรู้จักดูเรามีหน้าที่ดูเกิดเมื่อไหร่บรนทุกเมืนนั้นเกิดเมื่อไหร่บรรทุกขมืนั้นมีแต่ทุกเกิดขึ้นมีแต่ ทุกตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ไปมีแต่นั่นแหละมันไม่มีสิ่งที่จะดีเท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละ <Yeah. S 1> พอเราเข้าใจแล้วเราจักปวดจากป่วยจากละจากวางจิตใจของเราก็สว่างสวัยทําอะไรก็รู้จักรู้จักแล้วก็ไม่เป็นอะไรมันเปหยุดเป็นอยู่นั่นเองเี่ <Yeah. S 1> ของสิ่งที่มันอยู่กับเรานั่ยแหละมันเกิดให้เราเห็น เราอย่าไปปรารถนาอ้อนวอนให้ติงติงต่งติดทั้งนอกนั้นน่ะทั้งนั้นที่นี่มามาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันผิดทางแล้วอยากจะเห็นติ่งนั้นอยากจะเห็นสิ่งนี้อยากจะได้ติ่งนั้นอีกจะได้ติ่งนี้มันผิดให้ดูตัวเองอยู่ตลอดไปอะไรเกิดขึ้นมาเป็นผู้รู้ดูทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้ดูตัวเองจะไปไหนมาไหนก็อยู่กับตัวรู้ให้รู้อยู่อย่างนั้นไป สิงที่เกิดมันจะเกิดขึ้นให้เราเห็นเองเนี่ยมันบอกกันใครเราทําเองมันเห็นเองมันเข้าใจเองมันปลอดมันตะว่างมันแตว่างแต่วัยมันเกิดขึ้นมาเห็นทุกความทุกความยากลําบากอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเองเห็นแล้วก็เราดูเองดูเองแล้วระจักปลดจักปล่อยจักละจักวางไปของที่ไม่แท่งเปของไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นเนี่ยเต็มตัวขอนเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ ไมันเกิดขึ้นมาเห็นแล้วก็เป็นผู้เป็นกับเขาเป็นผู้ถูกเป็นผู้ทุกขอยู่เขาอยู่อย่างนี้ตลอดไปพอเรามาเห็นเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันอะไรเกิดขึ้นไม่ล่ะมันก็เป็นเรื่องของขอเรื่องของใครเรื่องของมันเรื่องของกายก็อย่างหนึ่งเรื่องของใจเขาอย่างหนึ่งเอชีวิตจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเดียวแล้วมันก็มารวมอยู่ที่นี้หมดเราไม่ต้องไปว่าอันั้นดีอันนี้ชั่วเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของเขามาหนีอย่างนั้น มันก็เกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นอย่างนั้นเรามเเร า, เราเห็นเราเราเห็นนั้นเรารู้จั ก, จกแล้วเราก็รู้จักปลดจากปล่อยจากระจากวางไปไม่มีอะไรที่จะเอาเลยในโลกนี้มีแต่มาดูตัวเองดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ยจะจิตใจดีประโยชน์ได้มันก็ดีถ้าเราฝึกดีแล้วอ่ะถ้าจิตใจไม่ดีประโยชน์ีีไหนมันก็ไม่ดีมีเงินมหมื่นเงินล้านเงินแสนอะไรก็แล้วแต่ ไม่ดีถ้ามันจิตใจไม่ดีอ่ะถ้าจิตใจดีเนี่ยมันดีเองเพราะฉะนั้นให้ทําปัจจุบันให้ดีๆเกิดมาในชาติเนี่ยอย่าไปเอาเลยอย่าไปเอาชาตินั้นชาตินี้เอาในชาตินี้แหละเราเกิดมาหาเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นตอนเราที่เป็นคนเนี่ยเราจะหวังเลยรู้จากตอนที่เราเป็นคนนี่แหละจะไปนรกไปสวรรค์เราสร้างเองไม่ใครไม่มีใครมาสร้าง เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพียใครมาสร้างเลยเราสร้างขึ้นเองเป็นเพจเป็นมานเป็นอะไรทุกอย่างทุกอย่างเราสร้างได้หมดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่กับที่ว่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามาสร้างในปัจจุบันเนี่ยอยากเข้าใจว่าเวรเก่ากรรมเก่ากรรมใหม่ที่ไหนกรรมเก่าของเราเขาคือตั้งแต่ว่าเกิด น, นั่นน่ะแหละแต่วันเกิดมันนั่นแหละจนถึงวันเนี้เนี่งกรรมเก่าของเราที่มันเป็นอดีตไปแล้วนั่นะเอามานึกมาเชี่นมาปรุงมาแต่ง ไม่อยางให้มันเป็นอย่างนี้นมันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ อ, นน อ, นอันนั่นน่ะ น, นั่นอะไรกรรมกรรมเก่าของเราแดีย บ, บนี้นอกนั้นมีแต่เป็นกรรมใหม่เขาเรียกามาสร้างขึ้นมาหมดเลยมาอยู่ในชีวิตในธานุเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นมูลและกตกทอดที่เราจะไปสร้างสรรค์อีกต่อไปถ้าเราไปดีก็ไปอยู่ตู่คติถ้าไปทั้งชั่วก็ไปตู่ทุกขติมีนรกกับสวรรค์มีบาปกับบุญเท่านั้น ที่จะตามเราไปได้เพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำให้มันเข้าใจในชีวิตกีดใจของเราเนี่ยไม่มีใครจะมาเหมือนใจของเราหรอกใจของใครใจของมันรู้แล้วก็แลีไปทิ้งแล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันขณะขณะขณะทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาในชาตนี่มีแต่ตั้งสัน ไปในทั้งที่ผิดผิดพัดพลาดเนี่ยหลายที่ถูดเลมเนีย่ยมาคิดดูการกรรมของเราอยู่เดี๋ยวนี้กับพระธรรมวินนะัยเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพำนสอนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันผิดพลาดไปทั้งหลายแท่แต่ทำบุญในทานนี่ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปไม่รู้จากนรกไม่รู้จากสวรรค์แล้วเราจะไปหาเอาอะไรเราจะไปหลียมจะไปเหลียเว้นอะไรได้ถ้าเราไม่รู้จัก ต้องให้มันรู้หมดทุกอย่างรู้จักรวบอย่างดีรู้จักจะเจ็บเอาอะไรก็จะไปยึดมั่นอะไรก็ให้รู้จักแต่เกิดมาเนี่ยชาติชาในชาติ น, นี้เราก็ไปยึดมั่นทุกอย่างอย่างเราเราเกิดมาเนี่ยสร้างอะไรไป ม, มีแต่สิ่งที่ติดมาผูกมัดเราไว้ทั้งนั้นไม่มีใครมาสร้างให้เราเราสร้างขึ้นเองกรรมของใครกรรมของมันใครทําใครได้ใครไม่ทําใครไม่ได้ข้อนี้สําคัญมาก อย่าไปมุ่งว่าสิ่งนั้นจะมาช่วยเราสิ่งนี้มันจะมาช่วยเรานอกแกกตัวของเราคนเดียวแล้วไม่มีอะไรจะมาช่วยเราแล้วก็ทำเผื่อก็ไม่ได้จะไปซื้อเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ได้เป็นของที่มีคุณมีค่ามากที่สุดที่เรามาทำอยู่นี่บุญวัตนาบัรมีที่เรามาเนี่ยพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีสิ่งที่มาทำให้เราติดอยู่นี่เพราะว่า เราไม่เคยมาฝึกมหัดเจ้าเคยเลยหลงทางอยู่ตลอดเวลายคนนี้ประมาทอยู่ด้วยความประมาทเกิดมาด้วยความประมาทไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกเท่าไรหร่ถ้ามาทําแบบนี้มันจะเข้าใจในชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะดาทําความช่วยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพยายามทํามันจะเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องกลัว เกิดมาชาติเนี่ยความตายไม่ต้องกลัวจะไปกลัวและกลัวความตายไม่ต้องกลัวเกิดมาจะตายอยู่แล้วละ่ะไม่มีไม่มีใครจะเหลยหรือยูอีกคนไม่ตายหนุ่มก็ตายเท่าตาแ้แก่ต้องพยายามทําให้ดีอย่าประมาทตัวเองเทําอะไรก็ให้มีสติสำมัจญฉญา เอาความรู้สึกเนี่ยเป็นหัวหน้าจะไปทําที่ไหนที่ไหนก็ให้มันมีตติมันเกิอดอยู่กับตัวกระทําของเรานี่ยแหละเราก็ดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไปมันดีก็รู้จกักมันชัวชว่วก็รู้จักชั่วเราก็ทิ้งไปดีก็ทิ้งไปไม่ไมีสิ่งที่จะเอาไอ้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเป็นยอดของบุญของ สิ่งเหล่านี้ก็คือความรู้เฉยๆเนื้อทุกอย่างให้เราเข้าใจให้เราทำแล้วก็มันก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมนตร์และดกของเราทั้งนั้นเนี่ยที่มาเกิดมาในชาติเนี่ยเรามาสร้างมาสร้างสารรค์ตัวเองอะ่ะไทยทำชั่ววัไปทางสายชัวย่วไปทาดีก็ไปทางสายดีมันก็อยู่กับเรา ไม่มีใครจะเห็นเราสร้างขึ้นเองเรารู้เองเราเห็นเองนรกสวรรค์ก็เราสร้างขึ้นเองจ่าหมอนระกคืออยู่ที่ไหนก็อยู่กับเราไม่มีที่ไหนมาจะตัดสินให้เราหรอกอก็าการกระทําของเราเนี่แหละจิตใจของเราเนี่ยเป็นของที่แทงแท้แน่นอนเป็นของที่เราทําอะไรไว่วเราก็เห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นใครจะมาตัดสินให้เราได้ก็ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยถึงที่มันเกิดขึ้นน่ะ พาเราไปทำถึงนั้นถึงนี่ผิดบ้างถูกบ้างเราก็รู้จักคนเดียวมันไม่ได้ตัดยากเลยเนี่ยอยู่กับการทาอยู่กับกรรมของเราที่เราทำจะเข้าใจว่าถึงนั้นถึงนี้จะมาลงโทษเราทำเองทั้งนั้นทั้นั้นสติของเราเนี่ยตัวสาคัญจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่กับตัวรู้สึก หลวงพอพูดมานี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดมากเพราะว่าแกแล้วลหลวงน้าหลวงหลังผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตให้ผมด้วยอเจริมพร